สมมุติสีมาทับสีมาสมัยนั้นพวกภิกษุชาวพุีสมมุติสีมาทับสีมาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสีมาที่ภิกษุเราไดสมมุติไว้ก่อนแล้วกรรมนั้นของภิกษุเหล่านั้นเป็นกรรมที่ถูกต้องไม่กําเริบควรแก่ฐานะสีมาที่ภิกษุเหล่าใดสมมุติในภายหลังกรรมนั้นของภิกษุเหล่านั้นไม่ถูกต้องกําเริบได้ ไม่ควรแก่ฐานะภิกษุทั้งหลายไม่พึงสมมุติสีมาทับสีมาภิกษุสงฆ์มูไร ส, สมมุติทับต้องอาบัติทุกกฏภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์จะสมมุติสีมาเป็นช่องว่างในระหว่างสีมาแล้วจึงสมมุติสีมา